แสนไคลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไปให้คนทางบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มี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 ความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรม น, น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา สวครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกท่านเหตุการ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานำเรื่องราวข่าวสารสาราหนารูมาพูดมาคุยกันนะครับตอนนี้นี่มีความเคลื่อนไหวเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งในส่วนของกกตเ น, นี่ยมีการคัดเลือก นะผู้ตรวจการเลือกตั้งนะตามระเบียบของกรกตนะครับนะการกลองจากหลายภาคส่วนใ น, ในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งไปให้ส่วนกลางเนี่ยคัดเลือกนะเหลือกรกตนะแต่ละจังหวัดเนี่ยคัดเลือกครึ่งหนึ่งก็จะได้กรกตจำนวน616คนมีการประกาศกันออกไปนะครับซึ่งหลังจากที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งนี่ก็คงจะเป็นในส่วนของผู้ที่ช่วย เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสนะฮะก็ตรวจการเลือกตั้งนี่ก็มาทำงานดาเนินการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดก็เตรียมไว้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปนะฮะที่จะเกิดขึ้นในใช่วงของต้นปีหน้านะที่ตามที่นายกตีประกาศไว้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็มีความเคลื่อนไหวของสมาชิกสภานิบัญญัติแห่งชาติสนช ก็พยายามเข้าชื่อจะเสนอกฎหมายแก้ไขพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรการเลือกตั้งเพื่อให้มีการสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งกันใหม่โดยโดยกล่าวว่าคนที่สรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดนี้เนี่ยมาจากกรกตชุดเก่านะก็ต้องให้กรกตชุดใหม่เนี่ยเป็นคนดําเนินการซึ่งก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับว่าถ้า มีการเริ่มสรรหาผู้ตรวจการกันใหม่เนี่ยอาจจะทําให้กระทบต่อการเลือกตั้งสอวอนะอาจจะกระทบต่อรถแมพหรือไม่นะครับซึ่ง ก, ก็ยังต้องถกกันอยู่ส่วนนายงมงตรีก็พลเอกประยุทธ์จนันโอชาก็บอกว่ามีการประชุมหารือในคลมแล้วก็อาจจะเป็นการมอบหมายให้กรกตชุดเก่าชุดใหม่ไปไปคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งร่วมกันนะให้เ ห, หมาะสม นะซึ่งอาจจะมีการทบทวนกันใหม่หรือไม่นี่ก็ยังยังยังไม่ชัดเจนแล้วก็ต้องต้องต้องดูนะครับนะว่าจะดำเนินการกันอย่างไรแล้วก็สำหรับที่ประกาศกันออกมา616ท่านนี่ก็เป็นคนที่เป็นอดีตข้าราชการนะครับเกียในทั้งตำรวจทั้งครูทั้งข้าราชการพลลเดือนทหารหลากหลายอาชีพนะนักธุรกิจอะไรต่างๆ นะก็เป็นคนมีชื่อเสียงในจังหวัดทั้งนั้นแหละครับก็คงจะต้องดูต้องดูแล้วครับว่ามีการมีการปรับมีการอะไรกันกันอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็ยังยังยังไม่ชัดเจนความเห็นนี่ก็ยังหลากหลายกันอยู่นะครัหรับก ร, กรณีเกี่ยวกับเรื่องของมีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือไม่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของกรกต น, นี่ก็ยังยั ง, ย, งยังไม่ครบนะคเจดท่านนี่ก็มีการ สรรหาคัดเลือกมาได้5ท่านนะครับมีการประกาศขึ้นไปแล้วเลือกประธานกกตไปแล้วนะก็ต้องมีการสรรหาเพิ่มอีก2ท่านนะครับนะัเป็นเรื่องของกกตนะ ว, ว่าจะทำอย่างไรส่วนนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิ ป, ปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุเครือ ง, งามรองนายจงตีระบุว่าทางคอสอชอก็จะ หาเรือจะเสนอแนวทางในการทำไพมารีโหวตให้กับพรรคการเมืองคือพรรคการเมืองนี่ต่อไปจะส่งสมัครสสนี่จะต้องมีการกําหนดตามกฎหมายนี่จะต้องให้สมาชิกพรรคในแต่ละเขตเป็นคนมาโหวตเลือกว่าจะส่งใครเป็นผู้สมัครคือพยายามที่จ ะ, ะให้สมาชิกมีมีส่วนร่วมนะครับซึ่งในส่วนของพรรคการเมืองก็บอกว่า จะดำเนินการไม่ทันนะครับเพราะเวลากระชั้นนะก็เลยให้คอสชเนี่ยทบทวนมีการนะทบทวนมีการเสนอแนวทางกันมานะนะอย่างเช่นการให้ทำภัยเมอร์เมอรี่บวระดับภาคคือใช้วิธีการที่ให้สมาชิกพรรคในแต่ละภาคเป็นคนคัดเลือกผู้สมัคร น, ะนีในส่วนของทางรองนาะนะยกตรีกล่าวอย่างนั้นนะครับแต่ว่านะทาง ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะจะทำได้ยากเพราะว่าสมาชิกพักแต่ละภาคไม่เท่ากันอย่างประชาธิปัตย์ในพักใต้มีถึง 40,000 คนจะให้ทำไพม a รีโหวตอย่างไรนะรนะก็ก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับนะว่าจะจะทำอย่างใดก็ยังยังเป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกกันอยู่นะเป็นเป็นกระแสนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำไพม a รีโหวตและในขณะที่ แต่ละพักนะพักการเมืองใหม่ก็เริ่มมีการประชุมมีการเลือกหัวหน้าพักนะกัดทยอยกันแล้วนะครับทยอยก็ต้องดําเนินการกันให้เสร็จนะภายในเดือนสิงหากราณาเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ทันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับนะ่าเราจะเห็นบรรยากาศต่างๆความเคลื่อนไหวขับเคลื่อนกันทางทางการเมืองนะครับมาเราฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยมา เราฟังเพลงสักเพลงก่อนนะครับแล้วก็จะได้วิเคราะห์มีอะไรต่างๆที่จะพูดจะคุยกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมีข่าวการเกี่ยวกับเรื่องของอกรณีการาปล่อยผีให้มีการตัดต้นไม้ในในเขตในเขตพื้นที่ทํากินของของรัศดรอของตัวเองนะซึ่งตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับมาคุยกันก่อนก็นกได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การ อ, อนุมัติให้มีการตัดต้นไม้ในที่ดินของของตนเองน่าสนใจนะคราวนี้น่าสนใจคือในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการแก้กฎหมายป่าไม้นะโดยมาตราป่าไม้มาตรา7นะครับที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะปลูกไม้ห่วงห้ามทั้งไม้สัตว์ไม้ชิงชันไม้พยุงนะในที่ดินของตนเองในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง นะก็คือที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนสสามนะหรืออาจจะเป็นชนบนะครับสปก อ, อาจจะเป็นเป็นกรรมสิทธินะ์แล้วครับเราสามารถที่จะปลูกนะไม้ไม้ไ ม, ไ ม, ไม้ชิงชันนะครับไม้พยุงไม้สักแล้วก็ตัดขายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากจากป่าไม้นะครับแนตะซึ่งตรงนี้นี่ก็แต่เดิมนี่ต้องขออนุญาตกาันซนะับซ้อนแล้วแล้วโดยโดยเฉพาะคนที่ปลูกไม้ พยูงเนี่ยซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามชั้นหนึ่งเนี่ยนันก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะตัดอะไรต่างๆก็ไม่ได้นะกฎหมายเข้มงวดจากการเปิดเผยของนายนัทพรจตุสีพิทักษ์เนี่ยโฆษกประจำรองนายองตรีฝ่ายเศรษฐกิจก็ได้ถแถลงผลการประชุมคอรมอเมื่อวันที่เจ็สิงหาคมที่ผ่านมาก็บอกว่าคอรมออนุมัติแล้วนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขพรบรป่าไม้นะ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอก็คือเปิดโอกาสให้ประชาชนในปลูกไม้ห่วงห้ามดังกล่าว ใ, ในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองได้นะมีการอนุมัติไว้แล้วนะซึ่งจริงๆแล้วไม้ห่วงห้ามมันมีอยูอ่หลายอย่างนะครับนะอย่างเช่นไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้เกร็ดแดงนะไม้อีเมงไม้พยุงแกลบนะ ไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขยุงไม้ขิกไม้พยุงนะครับนะไม้หมากนะกมีไม้เก็ ด, ดำนะซึ่งซึ่งมีหลากหลายแล้วครับมีอยู่ทั้งหมด18ประเภทซึ่งก็สามารถที่จะเอามาปลูกแล้วก็มาตัดเพื่อการพาณิชย์ได้ซึ่งามาตรการดังกล่าวนะก็จะทำให้รัฐบาลนี่ก็หวังว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีไรายได้ที่มั่นคงนะ จากการกา ร, การประกอบอาชีพปลูกไม้เศรษฐกิจก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแล้วก็มีมีเป็นการเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มพื้นที่ป่าเพราะว่าปลูกต้นไม้ป่าไม้ก็จะเขียวแล้วครับนะในในประเทศของเรานะซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาตินะจากการเปิดเผยของโคศกประจํารองนายรุ่งตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็จะต้องมอบให้ในส่วนของ ของป่าไม้นะแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะไปดำเนินการนะไปดาเนินการประชาสัมพันธ์ไปประสานกับเกษตรกรชาวบ้านอะไรต่างๆกั น, ก, นกันต่อไปนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็จะต้องดูนะครับนะว่าจะทำอย่างไรและนอกจากนี้นี่คอรมอเห็นชอบให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตร ที่แจกให้กับคนจนคนยากคนจนไรายได้น้อยนะครับบอกว่ากําหนดเห็นชอบให้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือบัตรทองแหละครับนะที่ที่รู้จักกันดีบัตรทองนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาราค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล น, นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ในส่วนมาตรการนี้ ก็ยังมีความสับสนกันอยู่เหมือนกันคือคือในส่วนของชาวบ้านที่อยู่ในเครือข่ายบัตรทองบัตรหลักประกันสุขภาพก็มีหลายคนก็ทวงว่าก็ชาวบ้านทุกคนก็รักษาค่ารักษาพยาบาลก็ฟรีอยู่แล้วนะฮะตามตามกฎหมายของหลักประกันสุขภาพนะก็ไม่ได้จ่ายเงินอยู่แล้วนะครับนะก็การออกมตินี่จะซ้าซอ้อนหรือไม่ก็คงจะต้องมีการถกเถียงกัน กันต่อแล้วครับนะว่าจะเป็นอย่างไรเครื่องเรื่องของสุขภาพเรงการการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าการที่ให้ถ้ามีการเจ็บป่วยนี่ก็หมายถึงรายจ่ายที่ที่มากขึ้นนะเราเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะชาวบ้านนี่ถ้าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนี่ก็หมายถึงกันในอดีตนี่ต้องขายไร่ขายนาแหละครับนะ เพราะว่าจะต้องเอามาใช้ในการรักษาพยาบาล น, นะแต่ทําอย่างไรล่ะครับที่จะจะดูแลสวัสดิการด้านนี้ให้ให้ดีขึ้ น, นมีมีหลายคนก็เรียกร้องบอกว่าการสวัสดิการของประชาชนนี่ก็น่าจะใกล้เคียงกับของข้าราชการคือของข้าราชการนี่ก็เป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ที่ครบวงจรแล้วครับก็ฟรีนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่ ก็จะปรับปรุงกันต่อไปอยังไรนีคงจะต้องดูนะครับ ต, ต้องดูมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อที่จะให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนนี่ได้เข้าถึงบริการของของรัฐนะครับมีมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของของการพัฒนาปฏิรูปทางด้านการศึกษาซึ่งในส่วนของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาก็มี มาตรการมีความเคลื่อนไหวนะครับนะ่ะที่จะผลักดันะแนวคิดนโยบายเพื่อเสนอต่ อ, ตอรัฐละครศาสตราจารย์ในแพทย์จลสุวรรณเวลาในประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษานะก็มีการประชุมคณะกรรมการแล้วก็เปิดเผยว่าที่ประชุมของคณะกรรมการก็หาเรือกันเรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปด้านการศึกษานะครับก็จะมีการทา ร่างพรบการศึกษาแห่งชาตินะพุทธศักราชนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครึ่งแผนปฏิรูปด้านการศึกษานี่ก็จะลองรับรัฐมนูลฉบับปัจจุบันฉบับพุทธศักราช2องนกะก็จะเน้นนะเรื่องใหญ่ๆที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคันศึกษาในใน 6, 6ประเด็นหลักนะครับท่านผู้ฟังนะซึ่งตรงนี้นี่ก็จะมีการนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง หประเด็นหลักๆเหล่านี้ก็ได้แก่การอันแรกก็คือการบริหารจัดการเด็กเล็กก่อนวัยเรียนก็คงเป็นระดับอนุบาลนะอันที่2ก็คือการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาจะลดกันอย่างอย่างอย่างไรลูกนจนคนรวยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนดีๆนะครับนะได้ทุกคนจะลดความเหลื่อมล้ํากันอย่างไรอันที่3ก็คือการ ดูแลครูทั้งระบบนะต้องแต่การการผลิตการคัดกรองการพัฒนาแล้วก็การดูแลด้านวิชาชีพนะแล้วก็คงจะดูการผลิตครูทั้งทั้งระบบนะซึ่งตรงนี้นี่คงคงเป็นเรื่องใหญ่แะครับนะให้ได้มาตรฐานอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอันที่4ี่ก็คือการนะปรับปรุงการเรียนการสอนนะนับต้องแต่การนะปฏิรูปหลักสูตร จงต้องแต่การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรนะแลก็จะมีการทำดิจิตอลแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนกันขึ้นมานะก็มีมีความคิดอย่างนี้นะครับณะกรรมการปฏิรูปนะครับอันที่5ก็คือการปรับปรุงโครงสร้างนะเพื่อรองรับการปฏิรูปการเรียนการสอ น, นอย่างเช่นการ ให้อิสระสถานศึกษาในการบริหารจัดการตนเองหรือว่าการจัดทำฐานข้อมูลระบบขนาดใหญ่หรเรียกว่า Big Data หรือว่าการปฏิรูปโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการใหร้อสอดคล้องกับการปฏิรูปอย่างไรก็เป็นแนวทางนะครับงานที่6ก็คือการจัดทำกฎหมายกฎหมายลูกอีกประมาณ30ฉบับ เพื่อที่จะรองรับร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะซึ่งก็มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ น, นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องมีการประกาศแล้วก็มีการขับเคลื่อนกันต่อไปก็เอาใจช่วยและครับเพราะการศึกษานี่เป็นเรื่องซับซ้อนนะครับและพยายามที่จะมีการปฏิรูปกันมาในใ น, ใ น, ในทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าก็ก็ยังทาได้ยาก นะครับนะเพรา ะ, าะต้องแก้กฎหมายหลายตัวนะครับมีความซับซ้อนกันกันมากนะครับดังตรงนี้นี่คงเอาใจช่วยทุกฝ่ายสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการและชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดคุณาณนนต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ้โตแล้วไปสาาร้างครอบครัวใหม่ไม่หันมาสนใจแม่เลยแม่ทนอเลี้ยงลูกรักรักเกินรักยิ่งสิ่งใดไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บแม่ทำงานหนักให้ลูกสบาย เจ้าโตใหญ่เป็นคนดีมีค่าของสังคมแม่ทั้งหวนงคิดถึงตรงใจลูกจ๋า ไม่มีเลยหรือลืมแม่แล้วลูกตา จะรอรอรอคงสักวันลูกอาจจะคิดถึงแม่แม่เฝ้ามองดูอยู่ข้างสเสมอถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักทีนมะืลูกใจ สานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง